คือตอนที่เรามองผ้าอะไรที่ไม่เราปล่อยให้เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะครับหรือว่าเราฟังเสียงอะไรก็ตามที่ที่เข้ามาครับถ้าสมมุติว่าเราฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าเห็นแล้วไม่ชัดนะครับเราใส่ความตั้งใจเพื่อจะไปเพ่งให้มันชัดขึ้นหรือไปฟังตั้งใจฟังให้บางสิ่งให้เข้าใจมากขึ้นนะครับใ น, ในการทำอย่างนี้เนี่ยถือว่าเราเราขาดสติหรือว่าอะไ ร, ะรบ้ หรือว่าหรือว่าเราเราเราไปตั้งใจฟังได้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่คนที่กำลังสื่อสารกับเราเนี่ยให้ให้ให้เราได้ความหมายตรงนั้นนะคก็สามารถทำได้แต่ว่าไม่ไม่ต้องไปยึดกับสิ่งที่เราฟังมานึกยังไม่ก็ยังไม่ไม่รู้สึกถึงใจว่ามันเนี่ยมันเอาเราเป็นศูนย์กลางเนี่ยจัร์จะเพลงให้มันชัดๆ เราจะดูให้มันเห็นชัดๆไอ้เนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมันเอาตัวเราเป็นตัวตั้งไว้เป็นศูนย์กลางเราจะดูให้มันจะจัดมันไปชัดจะดูให้มันชัดๆไอ้ตัวนี้มันเอาตัวเราเป็นมันเอาตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางในการปฏิบัติความรู้สึกเป็นตัวเรามันมันปล่อยวางตัวเรานี่ยมันกลับด้านน่ะนึกปฏิบัติปัดแบบกลับด้านผิดกลับด้านคือเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางข้างหน้าไปเพ่งข้างหน้าแต่ความจริงมันมันปล่อยวางตัวเราข้างหลังนี่คือคือที่พบมาช่วงบ่ายนะครับคือ เวลาฟังอะไรเนี้ยมันมันเหมือนกับบางครั้งมันปล่อยข้างนอกแต่ว่ามันมันไม่ค่อยเข้าใจมันมันเหมือนโดนโดนโดนว่าเออฟังไม่เข้าใจนะอะไรแล้วเราก็พยายามไปฟังให้เข้าใจอะไรเนี้ยอันนี้คือผิดใช่ป่ะคือเราพยายามไปออกไปข้างนอกยังไงเดี๋ยวเดดี๋ยวจะพูดยังไงอ่ะคือถึงแม้เราไม่เข้าใจที่เราพยายามไปฟังให้เราเข้าใจแต่แทนที่จะใครอยากเข้าใจอ่ะเออนีย่ยเราอยากเข้าใจ เราจะต้องดู้เห็นไงชัดๆเลยมันยังเห็นไม่ชัดใครอยากเห็นชัดๆเราเองนะพูดชัดๆแจเกจะได้ล้วแจเกียได้และวแจเกียได้ล้วตัวเจ้าปัญหามันอยู่ที่ตัวใครเออตัวเราไม่ได้อยู่ที่เห็นชัดไม่ชัดมันไม่ได้อยู่ที่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ใครตัวเราตอนเนี้ยไอตัวที่พยายามจะไปหาความเข้าใจข้างในทัางหาความเข้าใจเนี่ยหายใคร ตัวเราเองเหาอหายตัวเราอีกแล้วเห็นไหมถ้ามันมีแต่เกีริยาการหาแล้วตัวเราไม่มีแล้วจะเป็นยังไงจะไม่มีปัญหาอ้าวนี่พูดเองนะเนี่ยนะอา้าวนี่ถ้ามีแต่กีริยาการหาแต่ไม่มีตัวเราก็ไม่มีปัญหา <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมพูดเองนะเนี่ยเพั้นปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ความรู้สึกว่ามีตัวเราหมดสิ้นความรู้สึกมีตัวเราจะไม่จบเลยไม่มีกรรมวิธีในการปฏิบัติอะไรในโลกนี้ไม่มีการดี่หล่นแสวงหาความเข้าใจอะไรเพราะว่า ท่านดิ้นยังไงก็ตามมันดิ้นเข้าหาศูนย์กลางของตัวเองเพื่อให้ตัวเราเพื่อให้ตัวเราไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยถ้าท่านอย่างเอาตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางที่บอกว่าเหมือนไขดาวอ่ะไข่ดาวอ่ะท่านเอาตัวเราเป็นไขแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องวิ่งเข้าหาศูนย์กลางตลอดที่ตัวเราตลอดไอ้นี่ยคือตัวเจ้าปัญหาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไขแดงเนี่ยที่ตรงกลางของไขดาวเนี่ยอันท่านต้องเห็นว่าไอ้ตรงกลางไขแดงตรงกลางของไข่ดาวเนี่ย คือตัวปรุงแต่งคือตัวขันห้าแต่ท่านไม่เข้าใจว่ามันเป็นขันห้าในความรู้สึกของท่านท่านเข้าใจว่ามันเป็นตัวเราแล ació, shared, ้วเอาตัวเราไปดิ้นหลนค้นหาแต่ขั้นไมนเข้าใจว่าไอ้ตัวศูนย์กลางคือไข่แดงมันคือขันห้าเป็นตัวที่ต้องถูกปล่อยวางแต่ท่านจะเอาไข่แดงตรงกลางของไข่ดาวเนี่ยไปปล่อยวางอย่างอื่นหมดเลยแต่มันตกกันข้ามคือไอ้ตัวไข่แดงเนี่ยมันคือตัวขันห้าเลยที่ต้องถูกปล่อยวางคือ เราจะปล่อยวางได้ไงก็ต้องเห็นไอ้ไข่แดงเป็นตัวสังคาญตัวปรแต่งความรู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราตัวเรายืนพื้นตรงกลางไว้เนี่ยเป็นศูนย์กลางไว้เนี่ยมันเป็นตัวปรแต่งเป็นตัวปรแต่งทําไมปฏิเปลืองตัวปรแต่งเราตอนที่ท่านหลับสนิทเนี่ยท่านนอนหลับสนิทท่านมีความรู้สึกไหมว่าตัวเราดูยังไม่ชัดเลยตัวเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องไปฟังอีกหลายหลายแท็ ตัวเรายังไม่เข้าใจต้องไปฟังเพิ่มแท็กขึ้นไปอีกฟังอีกหลายๆตอนหลายๆแท็กมีไหมในความรู้สึกมีตัวเราไหมไม่มีอไม่มีนี่ง่ายเห็นไหมเห็นไหมหลับสนิทตัวเราไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยพอท่านรู้สึกตัวมาท่านปุงเลยปุงแต่งมีตัวเราเลยเจ้าปัญหาปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเราที่เป็นตัวปุงแต่งแล้วท่านก็เอาตัวปุงแต่งเนี่ยเป็นตัวตนของเราจริงๆอย่างจังเลย แต่เราทำไมจึงรู้ว่ามันปุงแต่งก pues, <Aw. S 1> ็ตอ น, น, น, นท่านหลับสนิทแล้วไอความรู้สึกเป็นตัวเราหายไปเลยเวลาตายความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเนี้ยมันจะดับไปเพราะเป็นตัวปุงแต่งสิ่งใดปุงแต่งสิ่งนั้นจะดับไปเพราะฉะนั้นเวลาท่านหลับมันจึงหายไปไงเพียงท่านเห็นว่าไอความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งพอหลับแล้วมันก็หายไป อ, อ๋อแล้วก็พอรู้ว่าตัวปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวสังขารตัวปุงแต่งมันก็จะปล่อยวางเองไม่งั้นท่านก็จะต้องถูกหลอกลวงมัน มันหลอกลวงท่านตอลอดว่าไอ้ตอนนี้เรายังไม่ชัดเลยเราต้องไม่ชัดๆตอนนี้เรายังไม่อย่างนั้นเราจะต้องเพลงเห็นมากๆเอาให้หนักๆไม่ก็มีพอมันมันเราสักบงการท่านมาให้ท่านทําอะไรท่านก็ทําตามมันหนักๆเลยฟังเราจะต้องไปฟังมาก ๆ, ๆ <c oughs> เราจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องอย่างนี้มันบงการปุ๊บต้องไปทําตามอเลยตามที่เราอ่ะมันปรงแต่งเป็นเราไปบงการอาารทึบ ah ah. อะไรของมา่อเช้าก็ล้มลงไปเย <c oughs> อะแล้วเนี่ยนะอาการทึบทึบที่ เมื่อเช้าฟังจากคำตอบไรแล้วก็ก็ลดลงไปเพราะเยอะพอสมควรแล้วครับเออความจดจ่อก็มากขึ้นแต่ว่าในเรื่องการเห็นการเกิดความจดจ่อก็น้อยลงใช่ไหมหรือมากขึ้นเมื่อกี้รู้สึกมากขึ้นอะครับมากขึ้นความจดจ่อมากขึ้นคือคือไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ว่า<ด>ไม่ใช่จดจ่ออย่างนั้นคือเราเข้าใจที่ท่านพูดอ่ะความจดจ่อมากขึ้นคือสติ สติปัญญาเนี่ยมันกัดติดมากขึ้นมันกัดติดทำความเขา้าใจมากขึ้นเรียกว่าเมื่อก่อนของท่านเนี่ยเขาจะจดจ่อท่านก็เพ่งเอาตัวความรู้สึกเป็นตัวเราไปเพ่งมากขึ้นนั่นเรียกว่าจดจ่อแต่จดจ่อของท่านตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้ามีสติปัญญาเนี่ยที่จะกัดติดทำความเข้าใจมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นครับใช่ไหมใช่ใชเ อ, อนื่อพราะว่าท่านใช็คําพูดมันก็เลยเหมือนงงครับแต่ว่า ปัญญาในการเห็นเกิดดับเนี่ยยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่ามันเกิดแล้วดับอะไรยังไม่เห็นตอนยังไม่เห็นขนาดนั้นเหตุที่มันยังไม่เห็นเพราะว่าท่านเอาตัวเราเนี่ยไปไปดิ้นรนไปค้นหาคือเอาตัวเราเนี่ยไปไปดิ้นรนไปค้นหา แต่ถ้าเทนเห็นว่ากิริยาอาการที่มันมันดิดน้นรนมันค้นหามันพยายามเนี่ยเป็นมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วกรดับกลับขึ้นไปสู่ความไม่มีสติปัญญาของท่านตรงนี้ยังไม่กำกับไว้ในการดูรู้เห็นก็ท่านก็นเลยหลงว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนไปปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาจริงจริงก็เลยมองไม่เห็นมันเพราะว่าเราไปเป็นมันไปเป็นผู้ปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาแต่ถ้า ไม่ได้เห็นว่าไอ้ความปรุงแต่งที่หล่นค้นหาเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเดิมมันไม่ได้ปรุงแต่งเป็นความที่หลนค้นหาแล้วก็ปรุงแต่งที่หล่นค้นหามาแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่ปรุงแต่งเดี๋ยวถ้าไปเจอเพื่อนเจอใครก็ลืมความปรุงแต่งที่หรนค้นหาพอเพื่อนไหนไปท่านก็ปรุงแต่งที่หลนค้นหานั้นไอ้ความปรุงใจ่งที่เราค้นหาเนี่ยมันเป็นความเกิดดับหรือความไม่มีพอเจอเพื่อนก็ลืมลืมปรุงแต่งที่หลนค้นหาแหละลืมเพ่งจิตลืมดูจิตลืมละปล่อยวางจิต ทุกอย่างลดแต่เป so er. ็นความปรุงแต่งท <Si ั้งหมดทั้งเพ่งจิตทั้งดูจิตทั้งละจิตปล่อยวางจิตดิ้นรนค้นหาของท่านเนี่ยลดแต่เป็นความปรุงแต่งทางนั้นเพราะอะไรพรเจอท่าเจอเพื่อนปุ๊บลืมหมดเลยดังนั้นน่ะมันจะเป็นความปรุงแต่งพอเพื่อนหายไปทาอีกทําอย่างเดิมอีกเพ่งอีกดิ้นรนค้นหาพยายามรู้ละปล่อยวางพยายามพยายามพยายามมันก็พยายามเพิ่มกลับมาอีกแล้วท่านก็ไม่เห็นว่ามันเป็นปรุงแต่งเพรเจอเพื่อนอีกอ้าวคุยกันลืมอีกแล้ว ไอ้กิจการที่ที่บุญมาทั้งหมดหายหมดเลยเห็นไหมมันเป็นตัวปรุงแต่งแต่ก็เลยเห็นมันอ๋อมันเป็นปรุงแต่งความปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีมันแต่แรกแล้วก็ปรุงขึ้นมาพอเพื่อนหายไปเราก็เริ่มปรุงแต่งต่เราเห็นมันปรุงแต่งมันก็เออมันก็มีกาไปยุ่งวุวยไปหลงไันเป็นตัวปรุงแต่งได้แต่ปล่อยวางความปรุงแต่งไปเรื่อยปัญหาตอนนี้คือพอคุยกับคนที่ บางคนที่เคยชินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาความไปชินมาจัดการว่าถ้าสมมติคือคือไม่ชอบอะครับก็คือพอใจคนที่ไม่ชอบเนี้ยก็เราก็จัดการในการบล็อกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ช่องบ่ายก็เป็นครับก็คือพยายามมองให้ผ่านไปแต่ก็ยังยังไม่ไม่หลุดไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดไม่เป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าจนกว่าท่านจะเข้าไปถึงความปรุงแต่งภายในแล้วก็ไปวางไปก็เข้าไปถึงความไม่เกิดไม่ดับ ไอ้ตัวกังวลที่ท่านกังวลแต่ว่ามันก็จะหายไปหมดไม่ต้องกังวลเลยว่าไอ้ความเรานิจชายเสียอย่างเก่ามันยังกลับมาอีกอะไรไม่มีเลยเตอเนี้ยเพราะว่าถ้าท่านก้าวไปถึงความไม่ปิดไม่ปรุงแต่งพรไอ้ที่ปรุงแต่งกลับมอนิจชายเดิมๆก็คือมันไปหลงปรุงแตง่งอยถ้าท่านก้าวไปเนี่ยดีกว่าไปให้สุดขุดได้ถึงเนี่ยไปถึงความไม่ปรุงแตง่งความไม่เกิดไม่ดับไปถึงความไม่มีที่ท่านว่าโลกเนี่ยจะต้องมีให้มากขึ้นไป มีมากยิ่งเกินไปจนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมเนี่ยคือไปสิ้นสุดที่ไม่มีทต้อไปถึงความสิ้นสุดคือความไม่มีไม่มีความปรงแต่งไม่เกิดไม่ดับไปให้สุดขุดให้ถึงก็คือไปไปให้สุดขุดให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับปโสดาบานขุดไปแค่สิ่งเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแต่พระอรหันต์เนี่ยไปถึง ว่าสิ่งเกิดดับนั่นแหะเลยสิ่งเกิดดับไปคือความไม่เกิดไม่ดับวิธีการในการไปคือเพียนตั้งเพียนตั้งสติไว้อย่าให้ออกจากบ้านเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่งั้นจะรักษาตัวเองไว้ดิเพียนตั้งสติไว้ไม่ให้ตัวเราไม่ให้ใจของเราออกจากบ้านอย่างนี้ใจก็มีตัวตน เพียนอะไรแล้วก็เพียนเห็นว่าเนี่ยความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาจากความไม่ปรุงแต่งเห็นในตาใจของเราความปรุงแต่งทั้งหมดความคิดความนึกความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันเดิมมันไม่ได้คิดมันก็คิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสู่ความไม่คิดเดิมไม่มีอารมณ์ก็มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีอารมณ์เดิมไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาแล้วว่าความรู้สึกอย่างนก็ดับไปสู่ความไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นคือของที่มีขึ้นมาเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยมันมีจากความจากความไม่มีมาแต่เดิมมมแลล้้ววกก็็ดัับบไไปสู่่่าาีีเเหนอยยงง แล้วมันก็จะเลยไปถึงความไม่มีไม่งั้นท่านจะติดอยู่ตรงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นยอมดับไปไปติดอยู่แค่ตรงนี้ไปติดอยู่แค่ความมีความมีความมีไปไม่ถึงความไม่มีแต่เราบอกว่าตัณฑ์ดีหลายแล้วนะเนี่ยองค์กรใน ห, หน้าดำ <c oughs> เดี๋ยวนี้พองใสขึ้นเยอะมากแล้วมันก็เรียกว่าพบเราไม่กี่ทีเองว่าเนี่ย ยังพัฒนาการได้เร็วขีนขนาดนี้เราว่าเป็นที่น่าพอใจฮะแต่มันไอ้ไอ้ตรงเนี้ยที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไงล่ะมันมันรู้ได้ยากเห็นได้ยากเราก็ยอมรับไอ้ไอ้ไอ้ตอนเนี้ยที่เราพูดเนี่ยแต่เราก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ความสามารถของมนุษย์เนี่ยทําไมไม่เกินความสามารถของมนุษย์ก็พ่อแม่ครูอาจารย์เราแต่ละท่านน่ะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเด็กเลี้ยงควาย บร ร, รบลุอรหันต์ก็ไปแถวเป็นแนวมันจึงไม่เกินความสามารถของคนที่ไปได้แล้วเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเราคอยถามอยู่เรื่อยเลยไม่แม่ใจทำมันยากละเอียดถ้าขนาดนี้เพราะแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ได้เรียนอะไรเลยหนังสือก็ไม่ได้เรียนบางท่านอะ่ะอ่นหนังสือก็ไม่ออกแต่บรรลุอรหันต์ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นที่นี่ แปกมากมากคือของมันยากซะขนาดนี้ละเอียดซะขนาดนี้ท่านรู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงแล้วเวลาท่านเอามาเขียนเอามาพูดโอ้โหมันละเอียดซะขนาดคนมีความรู้ไปอ่านแล้วยังไม่รู้เรื่องอ่ะคิดดูเถอะ <c oughs> ต้องยอมรับเลยอะหรหันเขียนหนังสือพูดออกมาเนี่ยคนมีความรู้อย่า ง, งพวกเราแม้แต่ด็อกเตอร์ไปอ่านยังไม่รู้เรื่องเลยองงมากเลยเราก็เนี่ยก็สงสัยตรงเนี้มานานมากเลยว่าอทําไมเนาะแม่ครูอาจารย์อ่านหนังสือก็ไม่ออกเป็นเด็กเรี่ยมควายเด็ก มนอกเี่ยธรรมดาเนี่ยแต่บรรลุอลหรหันต์ก็เป็นแนวเป็นแนวแต่คำพูดของท่านแต่ละคำพูดเนี่ยแม้แต่ด็อกเตอร์ยังไปอา่านยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้โหเรางงมากเลยมันเป็นมันเป็นมันทำไมยากขนาดนี้ละเอียดขนาดนี้แล้วท่านรู้ได้เห็นได้เนี่ยมันตรงนเนี้ยมันน่าปวดหัวว่าท่านรู้ได้ยังได้งไงเห็นได้ยังไงทำไมเราเรียนมาตั้งขนาดนี้มีควรู้ขนาดเนี้ย ยังงงงงยังสับสนอยู่เนี่ยยังงงงงยังสับสนอยู่เนี่ยเห็นขนาดมีคนชี้คนบอกยังงงงงยังสับสนอยู่เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหนอกเอ็นเนาผลจริงจริงเยป็นติเตอร์ส์เลขวิิทฟิสิกส์ครับเห็นไหมขนาดไปที่อาจารย์สอนยากๆทางนั้นเลยเลขฟิสิกส์คิดกัิตวิสโอ้โหยากๆทางนั้นนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเราเราคิดดูดิพราะแม่ครูอาจารย์เด็กเบ่นยควายองนั้นนะ เด็กบรนนอกเนี่ยบรรลุอรหันเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยท่านดูสิเนี่ยแต่ละแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยโอ้โหเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนอบถือนะลุตแต่เป็นเด็กบรนนอก่ำเลยว่าแต่คําพูดของท่านแต่ละแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยโอ้โหทำความเข้าใจไม่ได้เลยยากมากเลยดูคําบูดเนี่ยอย่างคำพูดดูนะตุโรเนี่ยไปอ่านดูสิโอ้โหพูดสั้น แต่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยกว่าจะเข้าใจใช่เวลาหลายปีมากเลยเงี้ยหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่เทศเทศลังสิหลวงปู่เหรียญเวลาโพหลวงปู่ชอบฐานาสโมหลวงปู่คําดีพระพาโสหลวงปู่พันอาจาโรโอที่เราพูดมาทั้งหมดในอรหันทั้งนั้นน่นเนี่ยแต่ดูสิหลวงปู่บุตดาถากาโลเนี่ยโอ้แต่ละท่านเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะบุตรดาอ่านหนังสือไม่ออกแต่บรรลุอรหันต์เน่ยอ่านพระไตรปิฎกได้หมดเลยพูดพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มเลย มันน่าแปลกมากอ่านพระไจพิเดกออกทางเล่มพูดพระใจพิโดกบทเด่ถึงใจเลยทางเล่มเลยโอ้โหมันนอกเหตุนเหนือผลจริงๆอ่ะมันจะต้องรู้จเราต้องรู้ได้ต้องรู้ได้ไม่เกินความสามารถอย่าท้อใครนั้นเนี่ยต้องรู้จนได้เนี่ยอขนาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่นหนังสไม่ออกเป็นเด็กเลี้ยงกวอยเด็กวะนองที่เราพูดมาแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหดูสิอรหันต์นั้งนั้นเป็นที่ยอมรับ ปะเนี่ยกระดูกท่านเปาแล้วเป็นประธาตทั้งนั้นเลยยอมรับทุกท่านเลยทุกองค์ที่พูดถึงเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเราก็ไปอยู่กับท่านมาหลายองค์ล้วนแต่เป็นอาลนะัยนั่นหลวงปู่ทานจารุธโมหลวงปู่จันทาสาวะโรหลวงปู่อามธรรมกรโมเพราะล้วนแต่เป็นอาลัยนทั้งนั้นเนี่ยหลวงปู่าอามธรรมากโม่นี่ก็วันที่ยี่สิบสี่นี่ก็มาจัดงานเ็คบรอบ บ, บรรภาพท่านที่ถึงล้วนแต่เป็นบุลพราานั่นเนี่ยอยู่ในหนังสือบุรพาจา์พ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยกันล้วนเป็นทีะ แล้วเด้ท่าเหล่าเนี้ยดูสิเรียนนังสือที่ไหนแต่ท่านเนี่ยบรรลุอรหันต์ได้เพราะเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ได้ต้องทำมันต้องเข้าใจจนได้เนียถ้าเราไม่ไม่ละความเพียรไม่เข้าใจจะได้อย่าท้อท้อบ้านแต่อย่าถอยท้อได้บ้านแต่อย่าถอยเราท้อท้อได้บ้านแต่อย่าถอยแต่เร็วนะเพราะว่าตอนเราพบเราเนี่ยไม่ ไม่เกินสี่ครั้งเองไหมสองเดืองที่แล้วะครับมามาที่นี่ครับแล้วก็มีบ้านได้รวมแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งวันนี้วันสี่ครั้งวันนี้วันที่ห้าเออพบเราสี่ครั้งครั้งนี้วันที่ห้าท่านเปลี่ยนไปตั้งขนาดนี้เออค่อยขยันสองพนบ้านเท่าไหร่อยากสองันบ้านแล้วอึดว่าสาบว่ายังไงก็กระแทกยังไงก็อึดอึดมากเลยอึดอึดแตเราเห็นแล้วเนี่ยพัฒนาการเร็วมากเลย เรานึกว่ายังนึกไม่ถึงเลยนะจะมาเร็วขนาดนี้ขอพูดเปนกระดนนาษขอพูดเป็กระดาษกลับนมัสการหลวงตาค่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มากลับนมัสการค่ะก็อภาวนาจริงจังยังไม่ถึงปีอะค่ะแต่ว่าก็เริ่มจากการอดูขันห้าไปค่ะแล้วตอนนี้ก็มีที่มีความสงสัยก็อาจจะเหมือนเพื่อนๆที่มาก่อนหน้านี้นะคะว่าจริงๆแล้วเรากําลังมีตัวเราอยู่หรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าอะไรอะไรที่เราไปรู้อะค่ะ เราก็จะไม่เอาคือมันมีความไม่อยากละไปเกือบทั้งหมดอ่ะค่ะอย่างอย่างเี้ยม่อเมื่อแค่อย่า ง, า ง, า ง, างท่านที่เพิ่งส่งกันบ้านไปอย่างเงี้ยเราก็ใจเราอยากจะอนุโมทนากับเขาอย่างเงี้ยแต่นเราก็จะเห็นว่าใจในใจข้างในเงนี้ยมันมันเฉยเมันไม่มันไม่เอาไปด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อหริงจริงๆเรากําลังนิ่งเกินไปหรือเปล่าน ะ, ะเราถดถอยเข้าไปเก็บอยู่กับใจของตัวเอง ค่ะคือใจลักษณะที่มันเข้าใจว่ามันคงจะมีปัญหาอะไรเราก็ใจเราก็ค่อยไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งค่อยถอยเข้าไปถอยเข้าไปไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งเขาไม่อยากยุ่งใช่ไม่อยากยุ่งอะไรเงี้ยมันก็ใจก็ค่อยถดถอยเข้าไปถดถอยเข้าไปแต่เราไม่ได้ปล่อยวางแต่มันถดถอยเข้าไปจนกระทั่งใจมันเข้าไปไปอยู่ข้างในที่นี่อยู่ข้างใน ไม่อยากรับรู้แล้วไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากวุ่นวายกับใครอีกแล้วอะไรเงี้ยมันถอยก็ไปถอยเข้าไปารู้สึกว่าอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าครานี้เราก็ต้องเห็นในจุดนี้ให้มากขึ้นใช่ไหมครับการปฏิบัติไม่ถูกมันต้องไปวางไม่ใช่ว่าถดถอยแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถดถอยถดถอยไปถ้าเราถดถอยก็้าไปมันจะเอาตัวเร า, เาใจเอาตัวเราเอาใจเราก็ไปจิตกับมันเขาจิตกับ<า>ข้างในม อัน <c oughs> นี้คือเราต้องเข้าใจใหม่ว่าตัวตนของเราไม่มีวันนี้ไอ้ที่ว่าเราเนี่ยถดถอยตัวเราเข้าไปมันกลายเป็นมีตัวเรายิ่งหนักเข้าไปเลยตรงนี้มืม <ừ ừ, S 1> ตัวเราไม่มีทีงไม่มีตัวเราต้องถดถอยหนีอะไรเข้าไปเข้าไปเข้าไปอเราต้อง <c oughs> เอาใหม่ค่ะ <c oughs> รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอ <c oughs> เออต้องต้องรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงค่ะแล้วก็แล้วก็ ดูที่ใจของเราอ่ะใจของเรามันมีกิริยาการ ใ, ใดๆเราก็รับรู้<ะ>กิริยาการของในใจของเราตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริง<ะ>คือเราอย่าไปสง่งจิตไปหาเวลาเราไปตายเห็นรูปต่างๆเนี่ยเราอย่าไปสนใจยึดถือแต่รูปเราดูที่ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันมีความคิดความนึ ก, ค ว, กความตึกความตองความปรุงแตง่งกับรูปนั้นอย่างไรได้ยินเสียงได้กลิ่นริมรถสัมผัส เราจะมัวแต่ไปดูแต่สิ่งที่ไปสัมผัสไปผัสสะขนาดนั้นคให้เราดูในใจของเราว่าเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นในใจของเรามีความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งอย่างไรคแล้วเราก็ปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นที่กระเพื่อมไหวๆขึ้นในใจปล่อยวางไปค่ะปล่อยวางไปหมดไม่การอะไรก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปเรื่อย ละพัสสะอะไรไปกระทบอะไรทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราอย่าไปสนใจให้ค่ายเพราคัญแต่ต่อสิ่งที่มากระทบให้ดูที่ใจของเราตามความเป็นจริงตรงไปตรงมาว่าภายในใจเนี่ยมันมีกิริยาการอะไรเกิดขึ้นเอามาคิดเอามานึกมาตึกมาตองเอาวิาพากควิจารณเขาอย่างไงเอาสิ่งนั้นมาพูดมาตึกมาตองอย่างไงในใจเราก็ปล่อยวางไปปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็เพื่อใในใจไหวไว้ ไ, วไหวในใจปล่อยวางไปปล่อยวางไปเรื่อย ไปจนกว่าจะถึงใจที่ไม่เกิดไม่ดับที่ก็พูดถึงกันใจไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเป็นของว่างเปล่าแต่ไม่ใจ่ไปอยู่กับใจที่ว่างเปล่าคือไปถึงคือไม่ไม่เข้าไปยึดถืออะไรไปอยู่กระทั้งไม่ยึดถืออะไรสิ้นความยึดถือเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะอตอนนี้ฟังเอาซีดีเอาหนังสือตามไปอ่านแล้วก็ฟังมากๆแล้วก็ตามเข้าไปในใน y o u ูทูบในเว็บไซต์จะใส่ลงตาแล้วสงสารดอทคอมมันจะอัปเดตมาแล้วก็เราก็ติดตามค ติดตามติดตามฟังให้มากฟังปฏิบัตทนนิทำความเพียรอ่านหนังสือฟังอ่านฟังอ่านฟังอ่านแล้วก็ทําความเพียรไม่ชา้าหล่ะก็เดือนสองเดือนสา เ, เดือนเนี่ยเราจะแจ้งขึ้นมาเองตอนนี้มันแค่ว่าเรายังไม่ได้ฟังได้ทบทวนได้ประมวลผลที่เกิดขึ้นในใจทเทียบกับหนังสือที่ฟังมันเลยจะไม่สรงจิตออกไปข้างนอกคือเพอช่วงเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่พี่ชายที่สนิทอะค่ะ เสยชีวิตอย่างเฉียบพลันนะแล้วมันก็เกิดการในในกระบวนการงานศพมันก็ทําให้เราเห็นธาตุขันนะแล้วมันจะอยู่ก็เลยเกิดความรู้สึกที่เราไม่อยากจะจะจะจะอยู่ในวัฏสงสารก็เลยแอบสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าด้วยเหตุผลนี้ที่ใจเราเลยหลบเข้าไปหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นมามันก็เห็นเลยว่าเออจิตเราเนี่ยมันกลายเป็นนิ่งๆเราไม่ได้ออกไปสัมผัสอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วมันมันอย่างเงี้ยมันมันรู้ว่าเรานิ่งเกินไปอ่ะก็คือจิตกาลังหลบอยู่ใช่